ถ้าอย่างปัจจุบันนี้มีคนก็เอาอาหารมาถวายมากเราก็กลัวว่าเมื่อเราไม่ได้ฉันเขาแล้วกลัวญาติโยมเขาก็จะเสื่อมศรัทธาหรือว่ากลัวโยมเขาจะเสีสธธ ย, เสยใจก็เลยฉันได้เยอะให้โยมเขาดีใจหน่อยอะไรทั้นองเนี้ยหรือว่ามันเป็นการผิดพลาดหรือว่าเป็นความมากมากอย่างไงไหมว่าเราคิดจากนุค้อเขาว่าจริงๆเนะี้ยก็ จะมีอธิบายข้างหน้าเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องมากน้อยเนี่ยนะนี่อธิบายข้างหน้านะครับแล้วก็มาพิจารณาดูตอนหลังอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะคำถามวันนี้จาไว้แม่นมาพูดว่าบุคคลผู้เว้นโทษมีความเป็นผู้ปรารถนาเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะครับคือเว้นจากความเป็นผู้มากมา ก, มากเหล่านั้นให้ห่างไกลแล้วมีความประสงค์จะซ่อนคนที่มีอยู่ และรู้จักประมาณในการรับเชื่อว่าผู้มักน้อยนะครับมาดูลักษณะคุณธรรมผู้มักน้อยนะ mm. เพราะเขาปรารถนาจะปกปิดคุณแม้ที่มีอยู่ในตนถึงจะมีศรัทธาก็ไม่ปรารถนาว่าขอคนจงรู้จักเราว่ามีศรัทธาตัวเองนี่มีศรัทธามากแต่ก็ไม่อยากให้ใครมารับรู้อะไรถึงจะมีศีลมีสุตตะ น, น, นะครับชอบความสงบเนี่ยนะชอบวิเวก ปราลบความเพียรมีสติตั้งมั่นมีใจเป็นสมาธิมีปัญญาก็ไม่ปรารถนาว่าขอชนจงรู้จักเราว่ามีปัญญาเอางี้นะถ้าเป็นค า, ารวะเนี่ยเข้าไปที่ไหนเข้าเที่ยวอวดไหมว่าฉันเนี่ยพกมาหมื่นหนึ่งนะวันนี้พกมาหมื่นห้าแสนหนึ่งรอะไรเนี่ยนะทรัพย์สินใ น, นในกระเป๋าเนี่ยมีอันโน้นอันนี้เนี่ยนะไปที่ไหนเข้าเที่ยวโฆษณาแบบนี้ไหมครับอยากให้คนอื่นรู้เลิกเกินกรีดไกลไหมเอาเงินมากรีดให้คนอื่นเขาดูเนี่ยนะมีไหมครับ หายากเต็มทีนะแต่ว่ามันก็มีดูนะะลักษณะนี้นะครับถึงมีศรัทธาก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้เรียนมามากสุตตะขนาดไหนก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยเรียนอะไรมาบ้างจบอะไรมาบ้างนะครับเออถ้าหากว่าคนที่เขาหวังอนุเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยเมื่อคู่ผู้อื่นเขาไม่รู้คุณของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดความศรัทธาเลี่ยมใสในเรื่องที่จะมามาฟังมาศึกษาด้วยอย่างเงี้ยเรวก็ เมื่อเขาไม่สถัทธาเรื่มใสในที่จะมาฟังในร้านที่จะจะที่จะมาศึกษาด้วยเขาก็จะเสื่อมจากประโยชน์ครับเพ<อ>ราะเพราเหตุตนั้นนี่เราก<อ>็โฆษณานิหนึ่งเพ<อ>ื่อให้เขาได้ประโยชน์ไปอย่างนี้ถือว่าเป็นการเป็นผู้มากมากหรือว่ามีเป็นความผิดในกรณีที่เราจะคิดอนุเคราะห์เขาหรือเปล่าทำใจได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าครับถ้าทําได้ผมก็อนุมโมทนาด้วยนะครับเหมือนพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็ประกาศวัตถาคตเนี่นะมีกําลังสิบเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นคือพระผู้มีพระภาคนะพระ อ, องค์ก็เป่งอย่างนั้นจริงๆพระหวังอนุเคราะห์สัต์แต่ทีนี้ถ้าโดยปะกะเติเนี่ยชาระใจได้เหมือนพระ อ, องค์ไหมล่ะนะครับตรงนี้คือสําคัญที่สุดแล้วสําคัญนะเขาจนมีคําสมัยใหม่เขามีเป็นคํากราบคําโครงคํากรอ น, นะครับ เขาบอกว่ากลองระคังดังเองหน้าเกรงขามเระวังกันอย่าผีผามเข้าไปใกล้นะอระคังแบบนั้นนะ น, นะะคนก็เหมือนกันนะครับดังโดยที่ไม่มีใครมาเคาะนี่ก็ระวังระวังเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะไปที่ไหนก็โฆษณาสรรพคุณตัวเองยกใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กนะ็ไปไข้ควรเอากันแล้วกันนะครับในความรู้สึกของอุศนัยอุิตยังไงสมมติว่า อาุโสเห็นภาพพิสูกรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยท่านคิดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยว่าท่านหวังอนุเคราะห์อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าอาุโสจะรู้ความคิดของเขาหรือไม่ไม่รู้อะแต่ว่าอาุโสไปเห็นพฤติกรรมของเขาอย่างนั้นเนี่ยอาวุโสู่ความรู้สึกยังไงในใจอย่าง น, นี้ของผมดูว่าอ่ามันประสบความสําเร็จไหมล่ะแล้วช่วยคนนั้นจริงหรือเปล่านะครับคือผมจะไม่ดูเฉพาะขณะนั้นขณะเดียว ผมจะดูยาวไปอีกหน่อยนะครับว่าเาวิธีการอันนั้นเนี่ยนะฝึกคนสําเร็จได้จริงไหมนะครับหมายก็เอางี้นะถ้าเราจะเล่าว่าโอ้โหผม น, น, น, น, นี่เรียนคัมภีร์โน้นเรียนคัมภีร์นี่เรียนคัมภีร์นั้นเป็นต้นเนี่ยนะจบนั่นจบนี่มาเนี่ยนะหมายคว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วคนนี้จะภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนไหมโดยที่เอาเราเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยนะถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็ก็อนุโมทนาด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาประไว้เกทับคนอื่นนี่ก็ก็ ไม่ดีนะครับโดยใจผมมันนะอย่างนี้ก็แสดงว่าก็มีสองแง่สองมุมให้เราต้องคิดพิจารณากันคือวิธีการเดียวกันนี่นะครับเอาความป่ารถนาเป็นประมาณนะครับถ้าป่าทะนาลามกก็ไม่ควรนะครับถ้าไม่มีความป่าทะนาลามกเลยนะด้วยกรุณาจริงๆแล้วชำระจิตตัวเองได้นะก็ควรนะครับบุคคลผู้มักน้อยนี่นั่นนะครับมีอยู่สี่จำพวกคือมักน้อยในปัจจัยสี่เนี่ยอย่างหนึ่ง มักน้อยในทุดงเนี่ยอย่างหนึ่งมักน้อยในปริยัติเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นผู้มักน้อยในอธิคมเนี่ยอย่างหนึ่งในบรรดาสี่จำพวกนั้นนะครับผู้มักน้อยในปัจจัย่เนี่ยนะครับนะมาดูลักษณะของผู้มักน้อยในปัจใจสี่นะเขาจะตรวจดูผู้ให้ปัจจใจทายธรรมและกําลังของตน3อย่างนะวิธีพิจารณานะหนึ่งผู้ให้ปัจจัยคือทายกนั่นเองนะครับพิจตรวจดูทายกหนึ่ง สองตรวจดูทายธรรมคือวัตถุอย่างหนึ่งสามตรวจดูกําลังของตนเนี่ยอย่างหนึ่งนะเขาตรวจดูสามอย่างมาดูนะว่าตรวจยังไงก็แม้ถ้าทายธรรมมีมากทายกประสงค์จะถวายน้อยก็รับแต่น้อยด้วยแอบหน้าทายกเนี่ยนะครับของเยอะอะแต่ว่ามันไม่อยากให้เยอะอ่ะอยากให้ในน้อยอย่างเงี้ย น, นะ น, นี่ก็รับเพราะว่าเขามีศรัทธาน้อยนะก็ให้รับแต่น้อย ถ้าทายธรรมมีน้อยทายกประสงค์แก่ถวายมากก็รับแต่น้อยด้วยอํานาจทายธรรมเนีย่ยนะศรัทธานี่ใหญ่ละบุญทุ่มเลยละแต่ว่าของไม่เยอะอะทําไงนะก็รับแต่น้อยก็แล้วกันนะเพราะของมันน้อยอะ่ะถ้าแม้ทายธรรมมีมากทั้งทายกก็ประสงค์แก่ถวายมากอันนี้ควรรู้กําลังของตนแล้วรับแต่พอประมาณเท่านั้นนี่ก็อย่างที่พันเตประโมถามเมื่อกี้นะครับว่า ของมันเยอะเนี่ยนะครับก็ประมาณกระเพาะลำไส้เอาก็แล้วกันนะครับแตตอบอย่างนี้แหละครับรู้จักประมาณกระเพาะลำไส้นะครับฉันแล้วก็ต้องไปอาเจียนออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยได้ข่าวมาบางองค์ต้องไปอาเจียนออกนะครับไอตอนฉันเนี่ยฉันเพื่อรักษาสัทธานะครับฉันเสร็จก็ไปล้วงปากอาเจียนออกนะครับไม่งั้นมันผะ อ, อืดผะ อ, อมไปทั้งวันนะครับวันนั้นอะ่อยครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ไปจักแจ้งสัจธรรม คือปกติแล้วคงจะท้องมันเคยอยู่กับมือเดียวแล้วมั้งนะก็ได้ฉลองสถายายมด้วยสลัดผักเข้าไปพอถึงเวลาแล้วไอผักเกิดไม่ย่อยขึ้นมาก็ต้องไป <c oughs> เดินอยู่นานทีดเดียวเพรา <c oughs> คงต้องรู้ประมาณต่อไปครับครับสาธุนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องมักน้อยของมักน้อยในปัจจัยนะต่อไป มักน้อยในถุดงนะว่าก็ผู้ไม่ประสงค์จะให้รู้ว่าการสมาทานธุดงมีอยู่ในตนเชื่อว่าผู้มักน้อยในธุดงนะครับไม่อยากให้ใครรู้เรากัตัวเองเนี่รักษาธุดงอย่างเงี้ยนะครับคือเอางี้นักกว่าโดยมากนะคนที่โชโช่ทั้งหลายเนี่ยนะเราถามใจจริงๆเหอะบอกเขาทำไมนะครับถ้าถามใจตรงนี้ได้ก็ผมก็เชื่อแล้วครับ ถ้าตอบได้ด้วยความสุดจริตใจจริงๆเลยนะว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่มเีเบื้องหลังสักนิดเดียวเลยนะไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังสักนิดนึงเนี่ยนะนะก็เล่าไปเถอะแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไม่ควรนะครับก็เหมือนกับที่ที่คล้ายๆกับที่เล่าเมื่อกี้ว่าถ้าเราพกซัพย์ไปขนาดไหนเนี่ยนะพกแก้วแวนเพชรพลอยไปเท่าไหร่เนี่ยนะก็ไม่รู้จะไปบอกเขาทําอะไรนะครับแต่ถ้ามันจะมีประโยชน์เพราะการบอกก็ควรบอกนะครับปัจจุบันนี้บางคนที่เขา ปัจจุบันนี้นะที่เขาติดธุดงเนี่ยที่เขาพูดหรือว่าเขาบอกคนอื่นเนี่ยบางทีเขาเป็นการป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองไหมครับว่าถ้าหากว่าเขาไม่พูดไม่บอกเนี่ยอาจจะถูกปิ่งโทษว่าเฮ้ยทําไมทาไมต้องฉันในบาทด้วยะ่ะมันเป็นยังไงฉันในจาย์ไม่ได้ยังไงครับหรือว่ายังไงพวกพวกเขาหยุดกันไม่ บ, บินธบาทกันโนะยมเข้ามาเลี้ยงทำไมยังต้องไปเดินบินทบาทอยู่อีกเนี่ยเดี๋ยวนี้กล้ า, า จ, จะบอกเพื่อป้องกันตัวเองอย่างนี้ เกนที่จริงแล้วนะครับพระที่รักษาทุดงหรือมากน้อยในทุดงเหมือนกับตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะเขาจะยอมขาดทุดงโดยที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเขารักษาทุดงเนะี่ยพระพี่กับพระน้องเนี่ยนะครับนะครับก็ล้มตัวลงนอนสะหน่อยแล้วก็ตื่นขึ้นมาสมาทานจะเป็นไรไปก็ไปบินธบาทก็ฉันอยู่อย่างนี้ก็ฉันนะครับแต่ว่าปาาปกปิดอ น, นะไม่ให้ใครรู้ก็เลยฉันไปนะครับนะเขาสามารถทําได้นะครับ แต่ถ้าหากว่ามันเห็นมันเป็นภาระเหลือเกินนะครับไอเรื่องยุกเรื่องชั้นเนี่ยนะปัญหามันวุ่นวายตามไปหมดเลยเนี่ยถ้ารับกิจนิมนตก็สมาทาไอที่สมาทานคือตัดปัญหาพวกนั้นออกไปเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นก็ควรบอกนะครับ น, นะเ <BI> <Aman. S 2> <oh? ช่นว่าโอ้ช้ำแล้วช้นเมื่อไรเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องภัยก็ควรจะเอาเรื่องโรคมาอ้างนะครับไม่ควรเอาเรื่องศีลมาอ้างนะครับเอาเรื่องโรคเรื่องภัยว่า สุขภาพไม่ค่อยดีฉันมากกว่าไม่ค่อยย่อยอะไรเงี้ยก็เอาสิ่งนั้นๆเป็นต้นมาอ้างไปนะครับหรือชันแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีะนะแค่นี้ก็พออยู่ได้และอะไรเงี้ก็ออกตัวอย่างอื่นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าประสงค์อย่างอื่นก็รักษาจิตเอาแล้วกันนะครับคือจิตเนี่ยนะถ้ามันปล่อยให้มันเป็นบาปบ่อยๆนะครับมันก็เสียหายนะมันสร้างความเสียหายให้อย่างอื่นอีกมากนะครับ ส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเพื่อจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเป็นพหูสูตรผู้นี้ชื่อว่าผู้มักน้อยในปริยัตไปที่ไหนก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าจบป ร, ริยัตเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับปกปิดไว้อย่างงี้นู่นครับจริงๆข้อเ น, นี้ยนะ่ะผมว่าน่าจะให้รู้นะทําไมครับไม่ไม่ใช่ว่าทางพอะพีนะผมว่าใ okay. ว่าเพราะว่าจะได้คนที่เขารู้ว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปริยัตเนี่ยเขาก็จะได้มาศึกษาไงครับ ผมเองถ้าโดยส่วนตัวผมไม่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเองปริยัดยังไม่ได้ทรงอะไรสักอย่างเลยนะไม่สมมติไงฮ <c oughs> สมมุติว่าในในนี้เขาบอกว่าผู้บากน้อยในเรื่องปริยัตนะครับที น, นี้คนที่คนที่มีปริยัตทรงปริยัตจริงจริงเนี่ยจริงๆน่าจําควรให้รู้คืออันที่จริงแล้วเนี่ยนะคนที่รู้ปริยัตดีนี่แหละครับถ้ามีใครถามเขาก็บอกนะครับถ้ามีใครถามหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาก็บอกไม่ใช่เขาไม่บอก ถ้ามีไม่ใช่ว่าโหรู้แล้วก็ไม่พูดไม่จ้า ง, งำประกายตลอดไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือใช้ในสมัยที่ควรพูด่นะแต่ก็ไม่ได้ปกติไปที่ไหนก็โหพร่ำในลักษณะนี้เลยนะครับนะหรือที่แบบคนที่ติดอาจารย์อาจารย์มากๆนะครับแมมเรียกชื่อตรงๆไม่ติดอาจารย์ด้วยคําเดียวนี่หมามันทุกข์เลืเกินเนี่ยนะลักษณะนั้นนะครับพวกนี้แหละครับเรียกมากมากนะครับแต่ก็ถ้ามักน้อยก็อะอะไรก็เป็นเนี่ยนะครับ ส่วนผู้ใดเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นต้นรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ปรารถนาจะให้เพื่อนสะพรมจารีรู้ว่าตนเป็นพระโสดาบันเป็นต้นผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยในอธิคมตรงนี้เนี่ยลักษณะของพระอาริยะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเฉพาะตัวของพระอาริยะจริงๆนะครับถ้าเป็นแล้วไม่ประสงค์จะให้ใครรู้จริงๆเว้นไว้แต่จะไปเล่าให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเท่านั้นเองนะครับโดยธรรมดานะ ถ้าเข้าถึงโลกุตรธรรมนะจะไม่ไม่อยากให้ใครรู้เลยแต่ถ้าถามนะถ้าท่านมีจริงๆนะก็อาจจะบอกนะแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปท่านก็ไม่บอกหรือบางทีก็เลี่ยงไม่ตอบคำถามประเภทนี้นะครับเลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นแทนอย่างเหมือนกับมาติกะมาตาใช่ไหมครับ<ม>โอ้ธรรมดาพี่สุก็ยังรู้เลยอะไรเลยก็ชี้บือ่อชี้ใบไปเรื่องอื่นนะครับก็กบเกินเรื่องนั้นนั้นไปนะ แต่ก็บอกว่าเหมือนกับคนที่มีทรัพย์แล้วก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดรู้นั่นเองนะครับลักษณะนั้นได้ของผู้มักน้อยในอธิคมเมื่อเมื่อกล่าวตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าถ้าใครคนอื่นเนี่ยที่คิดผิดไปจากนี้ก็แสดงว่าอไม่ใช่การตัดสู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ละผิดทางซะแล้วก็เอาให้ตรวจสอบนะครับพระธรรมเหล่านี้นี่นะครับถ้าประพฤติตามนี้นะครับทรงธรรมะเหล่านี้นะ ส่งไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามเนี่ยไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วถ้าไม่ประพฤติตามนี้เนี่นะครับก็คติไม่แน่แล้วนะครับ น, น, นะเพราะฉะนั้นบางแห่งเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ที่ศึกษาภาพปริยัติธรรมเพื่อปรารถนาลาบสการะเป็นต้นเนี่ยนะอัตถกถาอาละคัตทูปมาสูตรบอกเลยว่าควรไปนอนดีกว่านะครับถ้าจะเรียนเพื่อปรารถนาลาบสการะชื่อเสียงหรือเรียนเอาไว้แก้ต่างตัวเองนะครับถ้าอย่างนี้นอนดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นควรตั้งจิตให้ชอบทำว่านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นะครับเราก็ควรศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะครับควรตั้งจิตไว้แบบนั้นเกิดเถ้าผมก็มีคุณธรรมอะไรอย่างนี้บ้างบางบางอย่างบางข้อเ น, นี้ยไม่ใช่อธิคม น, นะแต่ว่าก็มีเหตุก็พูดอ่ะมีเหตุก็พูดแต่ว่าเจาตนาจะโอดจะคุยอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเงี้ย ก็ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าํำหนิใช่ไหมครับแต่ว่าท่านอาจจะไม่ใช่คนอาเปโชเนี่ยคือไม่ใช่คนมากน้อยอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยครับคือการประกาศตัวบางอย่างนะครับถ้าเราหวังความเจริญงอกงามในธรรมวินัยเนี่ยนะถามว่าเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเขาสมมุตินะยกตัวอย่างนะอย่างเราแตกชนันในภาพรปริยัติธรรมอย่างมากเลยนะ แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับกําลังต้องการที่สุดคือกําลังแ่เจริญความเพียรกําลังเจริญสมถาวิปัสนากําลังบริหารเป็นอย่างนี้เลยนะไปประกาศผางเลยว่าผมเนี่ยนะเรื่องพวกสอนอย่างเงี้ยสบายมากว่า ง, งั้นเถอะผ่น า, านงานมาหมดแล้วนะเนมื่อไรทันทีสมถาวิปัสนาไม่ต้องหรอกครับเออที่เล่าให้ฟังนะบอก <c oughs> ว่าผมเนี่ยผ่านงานเรื่องการเรียนการสอนมาเยอะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแบบเนี้ยผมผ่านมาเยอะแล้วนะั่นนะแล้วก็สาธยายให้เขาดูตัวอย่างโอโหเขาเห็นฝีมือเลยก็เลย เอาใหญ่เลยค่ะนี่เลยไม่ต้องสมถามไม่ต้องวิปัสสนาไม่ต้องหลีกเล่นอะไรแล้วนะครับว่งวางๆเนี่ยโหเห็นแต่หิ้วตําราไปเที่ยวไปทอมัน ไ, ไอ้บางอย่างเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาถามคำหนึ่งแล้วเราตอบคำหนึ่งจบนะครับก็าถามคำหนึ่งอาจจะตอบสามวันจบอย่างงี้นะครับความเข้าใจบางอย่างเนี่ยนะมาถามว่าปัจจัยคืออะไรมีเท่าไหร่ปรึกษายังไงเนี่ยนะก็แค่นั้นแหละครับยาวเลยนะ มีก็ถามว่าทีขณิการนี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะอยากรู้โดยละเอียดเงี้ยก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถ้าหวังในแง่อื่นๆเนี่นะครับ<ม>ก็ต้องควรจะพิจารณาเหมือนกันนะครับผมเคยฟังเรื่องของพระมหากะอาของอะไรที่ ท, ท่านบวชใหม่อ่ะนะท่านเมื่อมีเหตุอะ ท่านท่านก็แสดงอาการออกมาอย่างเช่นตอนที่ไปรับนิมนต์นกลับมานะแดดเปรี้ยงเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอ๊่น่าจะมีฝนเกาปรึกษาพระเถระว่าจะมีน่าจะมีฝนหรือมีเมฆมาบังหน่อยใช่ไหมพระเถระก็อนุญาตใช่ไหมท่านก็แสดงฤทธิ์ออกมาซึ่งจะเป็นฤทธิ์แผงเลยเป็นเป็นยังไงฮะหรือว่าเป็นอธิฐานฤทธิอ์อธิฐานฤทธิ์นะฮะท่านท่านก็แสดงออกมาโดยที่เอ๊ะแตเจตนาจะอวดเลยก็ไม่ใช่ไงแต่ว่า พอแสดงเสร็จได้โยงเขาก็ศรัทธาเริ่มสายใหญ่เลยแล้วก็นิมนต์ให้อยู่แต่ด้วยความมากน้อยของท่านอ่ะท่านก็หลีกไปเสียอย่างเงี้ยมันคือเมื่อตรงนี้มันไม่เป็นสัพเพเหแล้วนะครับคือเขาอาจจะเห็นความเก่งกาจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท่านก็คิดว่าถ้าอยู่ก็ไม่ผาสุขแล้วไม่สงบแล้วก็ก็หลีกไปเสียอย่างเงี้ยเมื่อมีเหตุก็แสดงออกมาอย่างเงี้ยครับนั่นสมัยนั้นนะครับอ๋อแล้วถ้าสมัยนี้นะครับจะอยู่ซอกไห น, นะครับ ถ้ามีคุณธรรมอย่างว่านะจะไปอยู่ซอกไหนครับในโลกเลยไม่ต้องเมืองไทยแล้วครับเมืองไทยมันแคบไปนะครับจะไปอยู่อเมริกาหรืออยู่ที่ไหนคนก็จะแห่ไปยิงๆถ้ามีคุณธรรมอย่างว่าเนี่ยนะอย่างภาพรูปนั้นที่ว่าเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยหลีกไปพักหนึ่งคนก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมมันก็พลเนลี่ยว่ะสมัยนี้นะครับออกทีวีหรือออกอะไรสักครั้งเดียวเนี่ยนะหรือไปเหาะว่อนครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับชีวิตนี่เลิกผาสุข ก, กันเลยก็ ก็ต้องกาลสมัยด้วยนะครับพิจารณาด้วยนะครับกระถาอันเป็นไปด้วยสามารถประกาศโทษและอ น, นิสงส์มีอาการเป็นอเนกและด้วยสามารถประกาศโทษของอิจฉาวจาร์นะครับโทษของความป่าเถนานี่นะอันมีความเป็นผู้ปรารถรเกินเป็นต้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความมักน้อยนั้นพร้อมกับวิธีมีการชี้แจง ความยินดีความมักน้อยของบุคคลผู้มักน้อยนี้ชื่อว่ากระถาว่าด้วยความมักน้อยด้วยประการชานินะครับคือชี้แจงถึงเหตุผลว่าถ้ามักมากแล้วมีโทษยังไงถ้ามักน้อยแล้วมีอ น, นิสงส์อย่างไรก็เอามากล่าวอธิบายชี้แจงให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดำรู้ขาวในส่วนนี้ได้อย่างละเอียดละออลักษณะนี้ ก, ก็เรียกว่าอปิจักขานะครับกระถาว่าด้วยการมักน้อยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับ ของผู้ที่เป็นกาลยานมิตรจะมีคุณธรรมอันนี้นะครับก็จะชี้แนะชี้ให้เห็นความเป็นจริงในส่วนเหล่านี้นะครับผมไม่เห็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมีความสุขอะไรสักคนหนึ่งนะครับขณะนัน้ น, น, น, นโมกตระนระตาทีบุตรผมจะให้พะ โ, โกากาลิกะเลยก็นขนาดนั้ น, นท่านก็ยัง<ม>แอบไปสมมติว่าใช้คําว่าแอบอนะคือหมายความ่าบอกพระโกกาลิกะเลยนะครับว่าห้ามบอกใครว่าผมทั้งสองเป็นอัครสาวก ผมต้องการมาหลีกเล่นสามเดือนว่างั้นเน่ะอนี่ขนาดภาษาดิบุตรนะครับภาษาริบุตรกับพระโขคลานะนี่นั่นคือของจริงของแท้นะครับนั่นไม่จริงไม่แท้เนี่นะครับรับแขกเจ็ดวันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเจริญเมตตากําลังเพลินๆนะรับแขกสักเจ็ดวันนั่งคุยกับเจ็ดวันนะครับแล้วลองกลับไปเจริญเมตตาใหม่นะครับมันพังไปตั้งนานๆแล้วนะครับของผมนี่สังเกตดูแค่นั่งรถเฉียดเมืองเนี่ยนะครับไอ เคยตรึกธรรมะได้ก็ยังตรึกไม่ค่อยไปนะครับสังเกตดูอุเทจะมันเข้ามาแทรกบ่อยนะครับมันพี่เรณาธรรมะสุตรขาสูตรนั้น น, น, นะครับยกตัวอย่างนะถ้าเราท่องเมตสูตรจําได้หมดเลยนะปกติเลยสาธยาได้พรวดเดียวเลยจบหมดเลยนะเป็นกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์เนี่ยนะแต่ละคําเราตรึกตามได้เลยนะไปจับงานบางงานนะครับกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์เอ๊เรื่องนั้นไปยังไง ปาธนาเพื่อจะจัสรุสรนตบทเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปโน่นหนึ่งนะงนเพิ่งบำเพ็ญไตรสิขาจะเรื่องอื่นมาสับหวังเนี้ยตลอดอ่อนกำลังอ่อนกำลังครับเพราะเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะครับถึงจะท่องได้นะครับคล่คองด้วยนะเหมือนเอางี้นะ <c oughs> เราเคยสวดมนต์ไหมครับ <c oughs> เคยไปสวดงนงานมงคลต่างๆนะบากก็ว่าคําสวดมนต์นะครับเชื่อไหมแต่ใจคิดที่ไหนครับเริ่มไม่สังเกตดูนะ ล้เราสวดมนต์เย็นๆเช้าๆเนี่ยจิตเป็นไปกับบทสวดกี่ครั้งนะครับที่โอ้โหยาวเลยนะตั้งกระต้นจนจบนาที่มีสรังอันอย่างน้อมจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะตามคําที่กล่าวเนี่ยมีบ่อยไหมครับถ้ามีไม่บ่อยนะก็แสดงว่าโอ้โหหนักหนาตาหัดแล้วฟุ้งซ่านแล้วนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่อิติปิโสเนี่ยบางครั้งเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะครับคือไม่มันไม่เคยจบเลยครับตั้งใจจะว่าให้มันจบอะ เดี๋ยวคิดไปแค่อีทีปีโซแค่อลังเอาลืมไปแล้วคิดไปเรื่องอะไรลํางลครับปากก็ว่าอีทีปีโซปาว่ า, า, วาระงใจจะคิดเรื่องอื่น <c oughs> ควบเลยนะครับตีคู่เลยนะครับลักษณะนั้นแหละครับถ้าหากว่าผู้ที่ที่เกี่ยวข้องคุกคีมากๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงผมสังเกตหลายครั้งแล้วนะครับนั่งรถเฉียดเมืองนี่ก็แย่แล้วนะครับหรือไปได้ยินหรือไปนั่งฟังใครเล่าเนี่ยนะอุปนิสัยเขาเนี่ยมาแล้วเฮ้ยทําไมเขาพูดอย่างนั้นนะ ไปเรื่อยนะครับไปคิดตามเรื่องตามราวของเขาที่จริงเนี่ยในเรื่องอะไรของเราสักอย่างเลยนะครับโรคอุทาจาร์นี่มันติดเชื้อง่ายนะคือข้างในมันมีเชื้ออยู่แล้วนะพอเขามาติดไฟให้หน่อยเนี่ยฐานไฟเก่ามันคุกหวังกันเถอะเพราะฉะนั้นอาการเกี่ยวข้องการคลุกคลีมากๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ก็เอางี้นะถ้าถ้าท่านแจ๋งจริงๆนะครับตั้งใจอ่านสักสูตรหนึ่งนะครับโดยที่ไม่มีหน้าตาของใครโผล่เข้ามาเลยนะ ไม่แวบถึงใครสักคนเลยนะมีแต่คำมะธรรมะคำํำสอนเนี่นะตั้งกระต้นจดจบเลยนะท่านนี้ก็เก่งมากถ้าประเทศศรีลังกามีพระราชาองค์หนึ่งนะครับฟังพุทธคุณคาถาฟังตั้งกับหัวค่ําจนจบไม่คิดเรื่ออื่นเลยทรงจิตตามพุทธคุณนั้นอย่างตลอดสายเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้ได้แล้วครับเจ๋งและวแปเขาควบคุมิตเข้าได้ครับพระราชาองค์นั้นเนี่ยมีความสามารถสูงมาก แต่ถ้าโดยทั่วๆไปนี่นะครับผมเองเนี่ยอ่านสักสูตรเลยนะโอ้ยตื่นตัวตั้งกต่สูตรท้งหัวจรดเท้าวิจัยแต่สูตรนั้นนะ น, นะแล้วตึกอะไรก็ได้ที่ตามสูตรนั้นเป๊ะเป๊เป๊ไม่แฝกไปเรื่องอื่นเนี่ยแม่เมื่อไหร่จะทําได้ทิ้งก็ไม่รู้นะครับอ่าต่อไปนะครับสันตุ ธ, ธินะครับว่าด้วยว่าด้วยเรื่องความสันโดษนะครับเขาบอกว่าความยินดีของของตนที่ตนได้มาชื่อว่าสันตุ ธ, ธิ นะครับอีกอย่างหนึ่งการละความปรารถนาปัจจัยที่ไม่สม่าเสมอแล้วยินดีปัจจัยที่สม่าเสมอชื่อว่าสันตุทิอีกอย่างหนึ่งความยินดีด้วยของที่มีอยู่คือปรากฏอยู่ชื่อว่าสันตุทินะครับสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เป็นอดีตไม่บ่นถึงสิ่งที่เป็นอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันท่านเรียกว่าผู้ สันโดษนะยกตัวอย่างก็ห่มจีวรก็ไม่ได้นึกถึงจีวรผืนเก่าที่งามกว่านีเนี่ยนะหรือไม่คิดเอ๊ะใครจะมาถวายจีวร อ, อีกเนี่ยนะลักษณะยินดีในจีวรที่หอมแล้วปัจเจกไปในลักษณะของสันโดษนะครับสันโดษจจในปัจจัย4ี่นะครับ อีกอย่างหนึ่งความยินดีในปัจจัยโดยวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วด้วยญายธรรมโดยชอบชื่อว่าสันตุธิโดยอาถาได้แก่ความสันโดษในปัจจัยตามมีตามได้หมายความว่าได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปตามนั้นแหละแต่ถ้าโดยประเภทนะครับสันโดษนั้นมีสิบสออย่างคือสันโดษในจีวรมีสมอย่างนะครับสันโดษในบิณฑบาตก็มีสามสันโดษในเสนาสนะก็มีสสันโดษใน เภสัตก็สามนะครับคือสันโดษสามอย่างในปัจจัยสี่นะครับสามคูณสี่เท่ากับสิบสองคือหนึ่งนะครับยะถาลาภะสันโดษตามมีตามได้นะครับยะถาลาภะลาบก็คือแปลว่าการได้นะตามที่ได้มาอย่างนั้นเถอะคือหมายความว่ากเหมือนกับไปบิยนธบัตอะไรได้มาก็ไม่ไปสั่งทําอาหารเพิ่มเหมนะกว่าชันเท่าที่ได้มานั่นแหละลักษณะนี้นะครับหรือว่ายะถาภาสันโดษก็คือสันโดษตามกําลังเช่น บินธบาตได้มายินดีตามนั้นจริงแต่ว่าถ้าฉันแล้วเนี่ยนะไม่สัปายะนะครับเช mm hmm. ่นนะฉันแล้ววันนี้ท้องผูกทั้งวันแน่นอนอาหารชิ้นนี้นะครับเช mm hmm. ่นไปบินธบาตเขาใส่แต่อะไรนะใบชาดองอะ่ะเรียกอะไรนะครับ mm hmm. ออได้แต่เมี่ยงมา โ, โหถุงเบอร์เบรอบร่าเลยนะครับสันโดจะชันแต่เมี่ยงไม่ต้องอะไรแล้วนะครับคือหมายคําว่าเออเมี่ยงมันไม่สัปายะก็ไปหาอย่างอื่นนี่มันเป็นสัปายะอนะอันนี้เรียกว่ายะถาภะละสันโดรู้กําลังของตัว นะครับแล้วก็ยะถาสารู ป, ปะสันโดษก็คือยินดีตามสมควรแก่ผมใช้คว่าสารูปนะครับหมายคําว่าเออเนี่ยนะอายุพรรษาเท่าเราเนี่ยนะในวัดเนี่ยนะพรรษาเท่านี้อะไรหลายๆอย่างเท่านี้สมควรจะอยู่กุฏิแบบไหนลักษณะแบบนั้นอนะ่ะเรียกว่ายะถาสารู ป, ปะสันโดษ อ, อ, อายุขนาดนี้พรรษาขนาดนี้อะไรหลายๆอย่างขนาดนี้สมควรจะใช้จีวรขนาดไหน ควรจะใช้จีวอนแบบไหนเนี่ยนะเขาเรียกยะถาสารุ ป, ปะสันโดษนะครับนี่ก็สันโดษ3อย่างคูณในปัจจัยสีก็เป็นสันโดษ12นะครับยินดีตามมีตามได้ในปัจจัย4อย่างหนึ่งแล้วก็ยะถาพะละหมาย ว, ว่าถ้าจีเราเนี่ยเป็นคนมร้อนไปในจีวอนเนะนะี่ยหนามาก็เอาไปให้เอาไปขอเปลี่ยนกับเพื่อนโรมาจารีนะครับที่มันเหมาะกับทัส ป, ปายะของตัวนะครับ ส่วนรายละเอียดนะก็นิมนต์ไปคนดูนะครับในอัตถกาาเมกีสูตรซึ่งผมยังอ่านมาไม่หมดนะครับเพราะว่าเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างกว้างขวา ง, า ง, างเดี๋ยวไ ป, ไปเรื่องอื่นไม่ได้นะครับต่อไปวิเวกคาถาเลยนะครับว่าด้วยปวิเวกคถานี้วิเวกมี3อย่างคือกายวิเวกหนึ่งจิตวิเวกหนึ่งอุปธิวิเวกหนึ่งนะครับใน3อย่างนั้นความที่พิษุละความอยู่คลุกคลี ด้วยหมู่แล้วอยู่สงัดในกิจทั้งปวงในอิริยาบถอย่างนี้คือรูปหนึ่งเดินเดินคนเดียวยืนคนเดียวนัง่งคนเดียวนอนคนเดียวบินธบาทองค์เดียวแล้วก็กลับคนเดียวก้าวไปคนเดียวอธิษฐานจงกรมคนเดียวนะครับเป็นต้นเนี่ยนะชื่อว่ากายวิเวก ค, คือต้องเป็นไปกับปุสนนะครับกายนี่เงียบแหละแต่ว่าใจาฟุ้งฟ่านไม่ใช่นะครับปุสนและจิตเจริญด้วยการอยู่คนเดียวอย่างนี้ลักษณะของกายวิเวกนะครับ โดยกุศลเป็นสมุทฐานอันหนึ่งสมาบัติ8ชื่อว่าจิตวิเวกนะครับหมายว่าชาญจิตเลยนะพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวกสมจริงดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็สําหรับผู้ปลีกกายออกอยู่นะครับยินดีด้วยเนคข ม, มะชื่อจัดเป็นกายวิเวกนะครับหลีกกายด้วยใจหลีกด้วยนะครับเป็นไปกับกุศลเลยนะเรียกกายวิเวกสําหรับผู้มีจิตบริสุทธิ์ ถึงความผ่องแผ่อย่างยิ่งจัดเป็นจิตวิเวกสําหรับผู้หมดอุปธิผู้ถึงวิสังขารจัดเป็นอุปธิวิเวกวิเวกนั่นแหละชื่อว่าปะวิเวกกระถาที่เกี่ยวด้วยความสงัดชื่อว่าปะวิเวกกระถาคือชักชวนให้วิเวกทั้งทั้งสาประการเหล่านี้นั่นเองนะครับผมเห็นลงตาลงตารอบหนึ่งนะท่านบอกว่าท่านชอบวิเวกนะครับแต่ท่าน เวลาท่านอยู่คนเดียวท่านก็มีวิทยุเป็นเพื่อนคอยเปิดวิทยุฟังรายการข่าวชาวบ้านบ้างฟังน่นฟังนี่บ้างหรืออะไรเนี่ยเอาแมวมาเลี้ยงคุยกับแมวงงเง้งงเ ง, ง, ง, งอะไรอย่างเงี้ยนี่ชื่อว่าวีเวกหรือเปล่าครับอันนี้คลุกคลีจริงๆนะอ๋อ <c oughs> อันนี้คลุกคลีอย่างมากเลยนะเพราะจิตไม่เป็นไปกับกุศลอะไรเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เน็บแนมนะครับจะเล่าประวัติผมให้ฟังผมไปเลี้ยงควายนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยนะ ไม่มีเพื่อนเลยครับไปอยู่คนเดียวในท้องทุ่งนะครับทําไงนะครับแต่งนิยายแต่งนิยายในความคิดนะักพระเอกต้องเป็นแบบนี้นางเอกต้องเป็นอย่างงี้หนังสงครามบ้งไปเคยดูหนังอะไรมาก็มาแต่งหนังอแบบนั้นแหละคลายๆแบบนั้นเนี่ยนะเหาะเหินเดิอนอากาศตีลังกาวุ่นไวายไปหมดนะครับนะแต่งหนังบ้างแต่งเพลงบ้งนะครับร้องเพลงเองบ้งอะไรบ้างวุ่นไวายไปหมดแต่คนเดียวครับแต่ว่าใจนี่ไม่มีเงียบเลยนะครับบางทีก็ร้องไปเรื่อยนะครับ ที่ก็แต่งนังแต่งละครไปเรื่อยนะฮนะนั่งเ ด, ดินคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับไม่วิเวกอะไรสักอย่างเลยนะครับตอนที่เลี้ยงควายอย่างที่ว่าเนี่ยนะควายหายก็เดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากอย่างที่ผมว่าเลยนะครับมันก็เลยไม่ชื่อว่าวิเวกอะไรไม่งั้นไปทำนาคนเดียวทั้งวันเลยเนี่ยก็วิเวกหมดนะครับแต่นี้ไม่ใช่แน่นอนไปทาไร่ทาสวนคนเดียว ก็ชื่อว่าวิเวกแต่นี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจิตต้องเป็นไปกับกุศลเป็นประมาณจึงจะชื่อว่ากายวิเวกนะครับส่วน จ, จิตวิเวกก็ต้องเป็นชานจิต